เรียนรู้ให้ชัดวิธีปฏิบัติต่อความสุขความเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับความสุขตามคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักการทั่วไปหรือหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาสาหรับปฏิบัติต่อความสุขมีสามหัวข้อดังพุทธพจน์ที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับลัทธินิครนซึ่งเป็นคำสอนประเภทอัตตกิลมัฐานุโยคในเทวะทะหสูตรมัทิมนิกายอุปริปันธาว่าภิกษุทั้งหลายความพยายามจะมีผลความเพียรจะมีผลได้อย่างไรภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถม 2. ไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบธรรม 3. ไม่หมกมุ่นสยบในความสุขนั้นแต่หลักการใหญ่นั้นไม่ได้จบแค่สามข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปถึงตอนสำคัญซึ่งสรุปสาระสำคัญได้เป็นข้อที่สว่าพึงเพียรพยายามกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปข้อนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้ายที่จะให้ถึงจุดหมายเพราะจะบรรลุธรรมสูงสุด สิ้นทุกสุขสมบูรณ์ก็ต้องกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นพร้อมกันนั้นการทำความเพียรเพื่อกําจัดเหตุแห่งทุกข์นี้เมื่อว่าตามหลักของการปฏิบัติตามลำดับก็พูดได้อีกสำนวนหนึ่งว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่สูงขึ้นไปจนถึงสุขสูงสุดที่เป็นภาวะอันไรทุกโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงสรุปหลักที่ตรัสซึ่งจัดได้เป็น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 เตียนปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่สูงขึ้นไปจนสูงสุดนี้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ชาวพุทธจะพึงใช้ปฏิบัติในการเกี่ยวข้องกับความสุขอย่างไรก็ตามแม้จะมีหลักการที่เป็นแกนกลางให้อย่างนี้แต่ความละเอียดอ่อนความกว้างขวางลึกซึ้งแห่งความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขก็ยังแตกต่างกันไปและเป็นข้อที่พึงนำมาพิจารณาประกอบด้วยเช่น ผู้ที่เห็นโทษของกามาสุขเบื่อหน่ายกามาสุขแล้วและด้วยความมุ่งหวังความสุขที่ประณีตขึ้นไปจึงบำเพ็ญข้อปฏิบัติบางอย่างซึ่งบางตอนมีลักษณะยากลําบากผู้ยังคล้องอยู่ในกามาสุขอาจมองการกระทําของเขาว่าเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวก็ได้ในกรณีเช่นนี้เมื่อผู้ปฏิบัตินั้นมีความพร้อมอยู่แล้วเบื่อหน่ายกามาสุขอยู่แล้วซึ่งการอยู่ในกามมาสุข กลับกลายเป็นความทุกข์สาหรับเขาก็ดีหรือแม้ยังไม่พร้อมดีนักแต่มองเห็นโทษของกามเห็นคุณของความสุขที่ประนีตกว่าซึ่งเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาการเสพไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุเป็นต้นภายนอกและมีความหวังว่าจะได้สุขที่ประนีตนั้นก็ดีข้อปฏิบัติที่ยากลำบากนั้นก็กลายเป็นแบบฝึกหัดสาหรับฝึกตนถ้าหากบุคคล น, นั้นสมัครใจจะฝึกและข้อปฏิบัตินั้น ก็ไม่เลยเถิดไปจนกลายเป็นการทรมานตัวเองท่านก็ยอมให้ในความหมายที่ว่าเป็นการฝึกนั่นแหละนอกจากนั้นความเป็นอยู่บางด้านของผู้ประสบสุขอันประนีตแล้วบางครั้งเมื่อมองดูในสายตาของคนที่คล้องในการมาสุขอาจเห็นเป็นความทุกข์ไปก็ได้เช่นเดียวกับคนที่อยู่ในความสุขอันประนีบมองเห็นความเป็นอยู่ของคนที่คล้องอยู่ในกามาสุขว่าเป็นความทุกข์ แต่ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในภาวะนั่นเองย่อมรู้ตัวว่าตนมีความสุขหรือไม่เป็นอันว่าปัญหาที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่นิยมสุขหรือนิยมทุกเป็นสุขคนิยมหรือทุกขกนิยมายสุขหรือายทุกเป็นอันตัดทิ้งไปได้แล้วเพราะไม่ใช่ทั้งนั้นยังเหลือปัญหาแต่เพียงในแง่ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หรือขอบเขตความลึกซึ้งของความสุขซึ่งก็สรุปลงได้อีกคือเหลือเพียงการเลือกระหว่างกามาสุขคือความสุขที่พึ่งพาสิ่งเสพข้างนอกกับสุขที่ประนีตกว่ากามาสุขคือความสุขข้างในที่สร้างขึ้นเองได้อย่างเป็นไทยแก่ตนในแง่นี้ข้อยุติก็คือท่านถือว่าความสุขประณีตสาคัญกว่าจึงตกลงว่า ควรมีความสุขประณีดอย่างน้อยก็มีทั้งกามาสุขและสุขประณีตด้วยคืออย่างน้อยก็ให้ได้อย่างบุคคลโสดาบันและสกัตาคามีที่ว่ากามาสุขก็ยังเสพไม่ทิ้งไปสุขอิสระข้างในก็ถึงด้วยหลักการทั่วไปสําหรับการก้าวจากระดับการมาสุขไปสู่สุขที่ประนีตกว่าหรือจากสุขด้วยเสพไปสู่สุขอิสระก็คือ ความพร้อมและการฝึกและก็มีหลักทั่วไปตามมาอีกข้อหนึ่งว่าบุคคลทุกคนควรมีความสุขอันชอบธรรมที่เหมาะสมกับระดับชีวิตของตนหรือที่เป็นผลแห่งความเพียรพยายามฝึกฝนตนเองอย่างน้อยหนึ่งขั้นหากู้ใดขาดความสุขที่พึงได้พึงถึงทั้งสองด้านเช่นการมาสุขก็สูญเสียไปแล้วความสุขประณีตก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้ คนนั้นท่านถือว่าเป็นผู้มีชีวิตพลาดที่สุดโดยในยะนี้พระพิษุผู้สละการมาสุขไปแล้วและมีได้ตั้งใจฝึกฝนตนเพื่อความสุขที่ประณีตหรือฝึกไม่สำเร็จจึงอยู่ในฐานะตกต่ำเป็นผู้พลาดจากประโยชน์ยิ่งกว่าเชาบ้านที่เสพการมาสุขพูดง่ายๆในแง่นี้ว่าพระไม่ดีเต็มทีกว่าคฤหัด หรือน่าสงสารกว่าคฤรืหัดดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้แต่เป็นผู้มีความละโมบมีราคะแรงกล้าในการทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดําริแห่งใจที่แรงร้ายมีสติเลอะเลือนไร้สัมปชัญญะใจไม่มีสมาธิจิตพลานปล่อยอินทรีย์ไม่สำรวม บุคคลผู้นี้เรากล่าวว่ามีอุปมาเหมือนดุนฟืนเผาผีที่ไฟไหม้ปลายเส็จแล้วทั้งสองข้างอีกตรงกลางก็เปื้อนคูดจะใช้ประโยชน์เป็นเครื่องไม้ในบ้านก็ไม่ได้ผลเป็นเครื่องไม้ในป่าก็ไม่ได้ผลโพกะของคฤรหัดเขาก็เสื่อมไปเสิแล้วประโยชน์ที่มุ่งหมายของความเป็นสมณะเขาก็ทำให้บริบูรณ์ไม่ได้